ข้อปฏิบัติที่ใช้ฌานสมาบัติแต่ละขั้นแต่ละขั้นในการพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริงอย่างที่กล่าวมานี้เป็นปฏิปทาของผู้ปฏิบัติที่มีชื่อเรียกในสมัยอัธธตถกาถาว่าสมถญานิแปลว่าผู้มีสมถะเป็นญาณคือมันเป็นสมถะจนได้ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาและนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งในบรรดาวิธีสอย่าง ที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีคือวิธีที่หนึ่งสมถะปุพพังคมะวิปัสนาวิปัสนามีสมถะนำหน้าเรียกเต็มว่าสมถะปุพพังคมะวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนำหน้าวิธีที่สองวิปัสนาปุพพังคมะสมถะสมถะมีวิปัสนานำหน้าเรียกเต็มว่า วิปัสนาปุพพังคมมะสมถภาวนาการเจริญสมถะโดยมีวิปัสนานำหน้าวิธีที่สยุคหนัตทะสมถวิปัสนาสมถะและวิปัสนาเข้าคู่กันเรียกเต็มว่าสมถวิปัสนายุคนัตทภาวนาการเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่ไปด้วยกันวิธีที่สี่ทมุตทัจวิกหิตมานัตวิธีปฏิบัติ เมื่อจิตถูกชักให้เขวด้วยธรรมมุทัตรหรือธรรมมุทัจจะคือความฟุ้งซ่านธรรมหรือตื่นธรรมหมายถึงความเข้าใจผิดยึดเอาผลที่ประสบในระหว่างว่าเป็นมรรคผลนิพพานคําว่าธรรมมุทัตมาจากธรรมมุทัจจะอัธกถ า, าเรียกว่าวิปัสสโนกิเลสคําว่าวิขัยตะได้แปลว่าชักให้เควหรือเขว วิธีทั้งสี่นี้สรุปจากมรคสี่แบบซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสี่อย่างดังที่พระอานนท์ได้แสดงไว้ในยุคนัตสูตรอังคุตรรนิกายจตุการนิบาทดังนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจากพยากรอรหัตผลในสำนักของข้าพเจ้าก็ย่อมพยากรด้วยมรคสี่ทั้งหมดหรือด้วยมรคใดมรคหนึ่ง บรรดามักสี่เหล่านี้กล่าวคือหนึ่งภิกษุในธรรมวิไนนี้จเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้าเมื่อเธอจเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะนำหน้าอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุนจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุนจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป 2. อ, อีกประการหนึ่งภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเธอเจริญสมถะอันมีวิปัสสนานำหน้าอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุนเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุนเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นสั่งโยตั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป3อีกประการหนึ่งภิกษุจเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันเมื่อเธอจเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันอยู่มักเกิดขึ้นเธอเสพคุนเจริญทาให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุนเจริญทําให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลาย ย่อมสิ้นไป 4. อีกประการหนึ่งภิกษุใจถูกชักให้เขวไปด้วยธรรมมุทะจะแต่ครั้นถึงคราเหมาะที่จิตนั้นตั้งแนวสงบสนิทลงได้ในภายในเด่นชัดเป็นสมาธิมักก็เกิดขึ้นแก่เธอเธอเสพคุนจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุ้นจเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้น สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป